อาเจละกะวัคที่5ศสิกขาบทที่1ว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ของเคี้ยวก็ดีของกินก็ดีแก่อาเจละกะก็ดีแก่ปริภาชกก็ดีแก่ปริภาชิกาก็ดีด้วยมือของตนเป็นปาจิติอาเจละกะนั้นคือชีปเปลื่ยปริภาชกนั้นคือนักบวชผู้ชาย นอกพระพุทธศาสนาปริภาชิกานั้นคือนักบวชผู้หญิงนอกพระพุทธศาสนาให้ของที่จะพึงกลืนกินแก่พวกนักบวชเหล่านั้นคนใดคนหนึ่งด้วยมือของตนต้องปฏิจ ต, ตีสั่งให้ให้ก็ดีวางให้ก็ดีให้ของอันไม่พึงกลืนกินก็ดีท่านว่าไม่เป็นอาบัติข้าพเจ้าเข้าใจว่า การถือประเคนนั้นคงเป็นธรรมเนียมใช้อยู่ในพวกนักบวชเหล่าอื่นด้วยต่างพวกคงไม่ฉันของอันพวกอื่นรับประเคนคงต้องการรับประเคนจากพวกนั้นเหมือนดังรับจากเครือันเมื่อภิกษุให้ของเคี้ยวของกินด้วยมือตนชื่อว่าวางตนเป็นอนุปสมบัตแก่นักบวชเหล่านั้นเขาคงมินได้ จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้เพระเหตุนั้นสั่งให้ก็ดีวางให้ก็ดีให้ของอย่างอื่นนอกจากของอันพึงจะเกลืนกินก็ดีท่านจึงว่าไม่เป็นอาบัตสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดกล่าวต่อภิกษุอย่างนี้ว่าท่านจงมาเข้าไปสู่บ้านหรือสู่นิคมเพื่อบินทบาตด้วยกันเธอยังเขาให้ถวายแล้วก็ดี ไม่ให้ถวายแล้วก็ดีแก่เธอแล้วส่งไปด้วยคำว่าท่านจงไปเสียการพูดก็ดีการนั่งก็ดีของเรากับท่านไม่เป็นผาสุกเลยการพูดก็ดีการนั่งก็ดีของเราคนเดียวย่อมเป็นผาสุกทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัยหาใช่อย่างอื่นไม่เป็นปาจิตติ ในคำภีวิพังแสดงว่าปรารถนาจะซิกซีปรารถนาจะเล่นปรารถนาจะนั่งในที่ลับกับมาตุคามหรือปรารถนาจะประพฤติอนาจารจึงไล่กลับเสียมีความปรารถนาเช่นนี้ขับไล่เสียเพื่อจะปิดบังความนั้นต้องปจิตตีเมื่อมีเหตุอย่างอื่นนอกจากจะปิดบังความเสียส่วนตัว เช่นบาทของภิกษุนั้นเต็มแล้วบอกให้กลับมาก่อนไม่เป็นอาบัตสิกขาบทที่สามว่าอันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนั่งแทรกแสงในสัพโพชนสกุลเป็นปาจิตเีในสิกขาบทนี้มีปาถะอันจะพึงพิจารณาอยู่บทหนึ่งคือสัพโพชนีอันเป็นคุณบท ของปาถาว่ากูเลชรอยท่านจะสันนิษฐานว่าเป็นบทมีสนธิแทรกอยู่และเข้าใจว่าเป็นสอุโพชเนแปลว่ามีคนสองคนในคำพีวิพังจึงได้แก้ความไปตามนั้นว่าสาโพชนะสกุล น, นั้นคือมีหญิงกับชายทั้งสองคนยังไม่ออกจากกัน ทั้งสองคนหาใช่ผู้ปราศจากราคาไม่ฐานที่นั่งนั้นก็แก้เป็นเรือนนอนในนิทานต้นบัญญัติก็เล่าเรื่องไปตามทํานองนี้โดยใจความก็คือไปนั่งกีดเขาในเวลาที่เขาจะสูงสิงกันพระอธิกถาจารเห็นแล้วว่าเข้าในปาถานั้นว่าสอุปโชนผิด จึงแก่อีกปริกับหนึ่งเป็นสะอักษรนำโภชนะศัพท์เข้าสมาถเป็นสโภอเชนะซึ่งแปลว่าเป็นไปกับด้วยโภชนะหรือมีโภชนะแต่แปลศัพท์โภชนะว่าโพคะและอธิบายความว่าหญิงกับชายชื่อว่าเป็นโพค้าของกันและกันฟังไม่ได้เสียจริงๆสู้อย่างก่อนก็ไม่ได้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าป้าถะนั้นเป็นสะอักษรนำโพชนะศั์เข้าสมาตเป็นสะโพชนะแปลว่าเป็นไปกับด้วยโภชนะหรือมีโพชนะถูกโดยไม่ต้องสงสัยแต่ไม่หมายความดังพระอัจกริยาจารย์อธิบายความก็ตรงอยู่ตามศั์นั่นเองอธิบายว่ากําลังบริโภคอาหารอยู่ ภิกษุเข้าไปหาสกุลกำลังบริโภคอาหารอยู่เป็นความเสียมารยาทเพียงไรสิขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อห้ามความประพฤติไม่สมควรเช่นนั้นกระมังข้าพเจ้าขอฝากความเรื่องนี้ไว้เพื่อพระวินัยทรสอดส่องต่อไปสิขาบทที่สว่าอันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกำบังกับมาตุคามเป็นปาจิตตีสิกขาบทที่5ว่าอันหนึ่งพิกจูดใยผู้เดียวสำเร็จการนั่งในที่รับกับมาตุคามผู้เดียวเป็นปาจิตตีที่รับสองชนิดพึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในอนิยศสิกขาบททั้งสองกิริยาที่นั่งนั้นหมายเอาถึงกิริยาที่นอนด้วย แต่ไม่หมายเอากิริยาที่ยืนและเดินในสิขาบทแรกหมายเอานั่งในที่รับตาเพราะไม่มีคําว่าตัวต่อตัวจึงถือกันมาว่าถ้านั่งในห้องเรือนกับหญิงมากคนต้องมีชายผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วยหญิงแม้มากคุ่มาบัตดไม่ได้แต่อันที่จริงคําว่าตัวต่อตัวจะตกด้วยเผลมาแต่เดิม คือตกในเวลาจำทรงหรือจำลองฉบับต่อๆกันมาก็เป็นได้สิขาบทนี้เทียบกันได้กับอนิยตสิขาบทที่หนึ่งซึ่งมีคำว่าตัวต่อตัวในคำพีวิพังไม่ได้กล่าวถึงเลยเข้าใจว่าคำว่าตัวต่อตัวคงจะตกในชั้นหลังในสิขาบทหลังหมายเอาที่รับหูเทียบกันได้กับอนิยตสิขาบทที่สอง เพราะมีคำว่าตัวต่อตัวจึงนำความเข้าใจว่าถ้านั่งกลางแจ้งกับหญิงหลายคนหญิงเหล่านั้นคุ้มอาบัตได้ถ้าคำว่าตัวต่อตัวในสิขาบทแรกตกแน่อธิบายนี้ก็ใช้ได้ที่นั้นด้วยฝ่ายหนึ่งยืนฝ่ายหนึ่งนั่งหรือยืนด้วยกันทั้งสองท่านว่าไม่เป็นอาบัตแต่เพิ่งรู้อธิบายดังนี้ ยืนรับบาดผู้หญิงเขายืนใส่ก็ตามนั่งใส่ก็ตามในที่ห่างคนอันเรียกว่าที่รับหูได้ในการเปิดเผยเช่นนี้ทำได้อยู่ในที่กำบังหรือในที่แจ้งตัวต่อตัวกับหญิงโดยอาการอันซ่อนเร้นแม้จะยืนเสียชื่อว่าไม่ต้องอาบัตก็จริงอยู่แต่ความเสียหายอันจะเกิดเพราะต้องอาบัตเช่นนั้น ยังจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเช่นนี้ไม่ควรทำพภิกษุผู้รู้จากรักษาอาจาระไม่ให้เป็นเหตุรังเกียจกินแหน่งท่านสรรเสริญว่าอาจาระัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมด้วยมารยาทเป็นคู่กับสำรวมในพระปาติโมกแสดงไว้ในนิเทศแห่งศีลของพิกษุนี้ควรถือเป็นแบบอย่างภิกษุ ไม่เพ่งการรับหรือนั่งส่งใจไปในอารมณ์อื่นแม้นั่งกับหญิงท่านว่าไม่เป็นอาบัติในคําต้นพึงเห็นเช่นภิกษุนั่งในห้องเรือนกับหญิงหลายคนมีชายอยู่เป็นเพื่อนแต่บางทีเขาออกไปจากห้องภิกษุห้ามไว้ไม่ทันเช่นนี้เรียกว่าไม่เพ่งการรับในคําหลังพึงรู้เช่นภิกษุ นั่งอยู่ผู้เดียวมัวนึกอะไรอยู่ไม่ทันรู้ตัวผู้หญิงเข้ามาหาสิกขาบทที่หว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับนิมนต์แล้วมีพัดอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่ถึงความเป็นผู้เที่ยวไปในสกุลทั้งหลายก่อนฉันก็ดีที่หลังฉันก็ดีเว้นไว้แต่สมัยเป็นปัจจิตีนี้สมัยในเรื่องนั้น คือคราวที่ถวายจีวรคราวที่ทาจีวรตามความในนิทานต้นบัญญัติดูเหมือนจะถือเอาความว่าข้อที่รับนิมนต์นั้นเป็นเหตุห้ามเที่ยวในที่อื่นในเวลาก่อนฉันเวลาภายหลังแต่ฉันแล้วห้าไม่ให้เข้าบ้านเว้นไว้แต่สมัยสองอย่างนี้กับภิกษุเจ็บไข้จะต้องออกไปหายา เว้นไว้จะได้ลาภิกษุอื่นแต่รูปความแห่งสิขาบทไม่เป็นเช่นนั้นมีคำปริกรับคือก็ดีเข้าประกอบคำว่าก่อนฉันและที่หลังฉันทั้งสองแห่งและการรับนิมนต์ฉันคงเป็นเหตุเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าภิกษุรับนิมนต์ฉันไว ถูกห้ามไม่ให้เที่ยวไปที่อื่นในเวลาก่อนฉันนั้นคือเมื่อจะไปฉันห้ามไม่ให้เชิญไปในที่อื่นก่อนเพื่อจะกันไม่ให้ไปล่าหรือตามตัวไม่พบข้อที่ห้ามไม่ให้เที่ยวไปที่อื่นภายหลังแต่ฉันแล้วนั้นคือกลับมาจากบ้านที่นิมนต์นั้นแล้วไม่ให้ถือเอาโอกาสที่รับนิมนต์นั้นเลยไปเที่ยวที่อื่นต่อไป เมื่อมีกิจจําเป็นจะต้องทําในสองอย่างนั้นอย่างได้อย่างหนึ่งจึงให้บอกลาภิกษุไว้เป็นหลักฐานสมัยทั้งสองนั้นก็เคยเป็นเวลาได้รับยกเว้นในสิกขาบททั้งหลายอื่นแล้วหนทางจะต้องผ่านไปทางเรือนของผู้อื่นโดยไม่ตามทางนั้นไม่นับว่าเชิญไปอื่นถ้าภิกษุไม่มีคืออยู่ผู้เดียวเมื่อมีกิจจําเป็นเกิดขึ้น ไปได้เพราะในสิกขาบทกล่าวถึงเฉพาะเที่ยวในสกุลในคาพีวิพังท่านจึงว่าไปสู่อารามอื่นไปสู่ที่อาศัยภิกษุณีไปสู่ที่อยู่ดีรถีไม่เป็นอาบัติแต่ในเรื่องเช่นนี้ทำให้เสียผลท่านเคยปรับเป็นอาบัติทุกกฎในที่นี้ก็อาจจะทำให้เสียผลได้เหมือนกันแก่ว่า ไม่เป็นอาบัตินั้นอย่างไรอยู่แวะเรือนอันอยู่ตามทางเมื่อขากลับนับว่าไม่ได้เลยเที่ยวต่อไปข่านอนุญาตถ้ามีภิกษุคงต้องบอกลาแท้เพราะมีสิกขาบทอันอื่นให้ทำเช่นนั้นในการไปเรือนที่นิมนฉันไม่มีปัญหาที่จะพึงยกขึ้นพูดสิกขาบทที่เจ็ดว่าภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธ พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียงสี่เดือนเว้นไว้แต่ปวารณาอีกเว้นไวแต่ปวารณาเป็นนิตถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตติคำว่าปัจจัยนั้นกล่าวโดยสามัญโวหารเป็นชื่อสาธานแต่จีวรปินฑบาทเสนาสนะและเภสัชแต่ในที่นี้ ในคำพีวิพังแกว่าได้แก่เพศสัตวเรียกว่ากีฬานปัจจัยเหตุที่ทําให้แก่อย่างนี้บางทีจะเป็นศัพท์ว่ามิใช่ผู้ไข้นั่นเองข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจให้กว้างกว่านี้การขอปัจจัยต่อคนปวารณาผู้มิใช่ญาติแต่ไม่มีอนุญาตเป็นพิเศษในสิกขาบทนั้ น, น, นเลยข้าพเจ้าเข้าใจว่า ทรงอนุญาตให้ขอต่อผู้ปภาวณาได้โดยสิกขาบทนี้เองแต่ให้ขอได้เพียงสเดือนเพื่อจะให้รู้จักประมาณเว้นไว้แต่เขาปภาวณาซ้ําขอได้ต่อไปอีกสี่เดือนแต่ถ้าเอาปภาวณาเป็นนิดขอได้ตลอดไปเหตุไนจึงต้องกล่าวถึงภิกษุไม่ใช่ผู้อภิพาดไว้ด้วยเล่าคํานั้นนําให้เข้าใจว่าทรงอนุญาตภิกษุให ให้ขอได้เสมอไปจริงอย่างนั้นทรงอนุญาตให้ภิกษุไข่ขอบินาบาตได้ในสิกขาบทอื่นให้ขอเพศสัตว์ได้ในนิทานต้นบรรยัติแห่งสิกขาบทก่อนภิกษุผู้ไม่เจ็บไข้จะขอทัพสัมภาระมาทาเสนาสนะดังกล่าวถึงในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หกก็ได้แล้วเหตุไหนภิกษุไข่ จะขอไม่ได้คงยังขาดไม่มีในสิกขาบทอื่นแต่ขอจีวรคนปวารณานั้นแสดงโดยนายอันกล่าวไว้ในคำภีวิพังมีเป็นสี่คือปวารณากําหนด ป, จ 1, ปัจจัยหนึ่งปวารณากําหนดการหนึ่งปวารณากําหนดทั้งสองอย่างหนึ่งปวารณาไม่กําหนดทั้งสองอย่างหนึ่งปวารณากําหนดปัจจัยนั้น คือกาหนดชนิดของเช่นจีวรหรือบินทบาทน้ำมันหรือน้ำผึ้งหรือกําหนดจำนวนแห่งของผ้ากี่ผืนบินทบาทมีราคาเท่าไหร่เขาประวัติาปัจจัยชนิดไรมีประมาณเท่าไหร่ขอเขาได้ในกําหนดแต่เพราะไม่ได้กําหนดการพึงขอได้เพียงสเดือน ปวารณากำหนดการนั้นคือกำหนดน้อยกว่าสี่เดือนก็ตามมากกว่าสี่เดือนก็ตามพึงขอเขาได้ในกำหนดนั้นไม่ต้องเอาสี่เดือนเป็นเขตขั่ปนปวารณากำหนดทั้งของทั้งการนั้นพึงถือเอาอธิบายในสองข้อข้างต้นรวมกันเถิดปวารณาไม่กำหนดทั้งของทั้งการนั้นเช่นปวารณาว่า ต้องการด้วยสิ่งอะไรขอจงบอกหรือว่าข้าพเจ้าปรารถนาด้วยปัจจัยสี่ถึงนี้เรียกว่าไม่กำหนดของเขาไม่ต้องอ้างถึงการว่าจะให้ขอได้เพียงไรเรียกว่าไม่ได้กำหนดการเช่นนี้ต้องการอะไรขอเขาได้แต่พึ่งขอเพียงสี่เดือนตามสิกขาบทนี้ถ้าเขาประวรณาซ้าอีก ขอได้เพียงคราวละสี่เดือนถ้าเขาบวรณาเป็นนิดขอได้เสมอไปสิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแล้วเว้นไว้แต่ปัจจัยมีอย่างนั้นเป็นรูปเป็นปะจิตตีเสนานั้นคือกองทัพครั้งโบราณส่งเคราะห์ด้วยพลช้างพลมา้า พลรถพลเดินแม้ในภายหลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็เรียกว่าเสนาอยู่นั่นเองเสนาอันยกออกนั้นคือยกออกไปในการรบกับศัตรูเพื่อจะรุกหรือเพื่อจะรับปัจจัยที่กล่าวไว้ในสิขาบทนั้นในนิทานต้นมันยัดแสดงว่าญาติของภิกษุเป็นไข้เขาขอพบ แม้จะปรารบเหตุอื่นก็ได้แต่การไปเป็นกรณียะไม่ใช่ไปดูเล่นเสนายกมาทางอารามหรือเดินสวนทางไปพบแลเห็นไม่เป็นอาบัตมีอันตรายเกิดขึ้นเช่นถูกจับไปเป็นเฉลยไม่มีปัญหาศิขาบทที่9ว่าก็ท้าปัจจัยบางอย่างเพื่อจะไปสู่เสนามีแก่ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นพึงอยู่ได้ในเสนาเพียง 2-3 ถึงคืนถ้าอยู่ยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตเตีปัจจัยนั้นพึงรู้ดังกล่าวในสิกขาบทกอนวิธีนับคืนนั้นกำหนดเวลาพระอาทิตย์อัสดงปรับเป็นนาบัิในวันที่4ต่อเมื่อตะวันตกแล้วอยู่เพียง3มวันแล้วกลับเสียภายหลังไปอยู่ได้อีก มีเหตุจำเป็นเช่นเจ็บอยู่ในกองทัพหรือเสนาถูกฆ่าสึกล้อมและมีเหตุขัดขวางอย่างอื่นๆอีกอยู่เกินกว่าํำหนดนั้นได้สิขาบทที่10บว่าถ้าภิกษุอยู่ในเสนาสองถึงสคืนไปสู่สนามรบก็ดีไปสู่ที่พักพนก็ดีไปสู่ที่จัดขบวนทัพก็ดีไปดูหมู่อนึกคือ ช้างมา้ารถพนเดินอันจัดเป็นกองกองแล้วก็ดีเป็นปาจิตติ